กรรมแปลว่ากิริยาที่ทําทำด้วยกายเรียกกายกรรมทำด้วยวาจาเรียกว่าจีกรรมทำด้วยใจเรียกว่าโนกรรมแต่กายกรรมวจีกรรมก็ตามแต่ก็มีมโนกรรมเป็นเป็นหัวหน้ากรรมชนิดไหนก็ต้องมีมโนกรรมเป็นหัวหน้าผลลัพธ์ก็คือใจในทางดีก็ทางก็กลมขึ้นกันทางตัวของมือนกันคากันกรรมเป็นคํากลางแปลว่ากิริยาที่ทํา ทำดีก็มีหลายขั้นหลายตอนทำชั่วก็มีหลายขั้นหลายตอนผลของกรรมเมื่อสร้างกรรมลงแล้วผลของกรรมไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนคนค่าของเหตุไม่ว่าทางดีและทางชั่วไม่ลาเอียงก็กำชั่นวันละใดใเลยถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันเหตุใดจึงเชื่อพระพุทธศาสนาอย่างแก่จมก็เพราะกรรมและผลของกรรมมี กรรมและผลของกรรมไม่เข้าข้างกับศาสนาใดๆทั้งสิ้นเธอจะบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกหรือไม่ถูกไม่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นบาปเธอจะเป็นบัญญัติว่าเป็นบุญก็ตามสิ่งที่เป็นบุญเธอจะเป็นไบัญญัติเป็นบาปก็ตามความบัญญัตินั้นผลของกรรมหาเปลี่ยนไปตามไม่เช่นอภัยมุขเธอจะบัญญัติว่าเป็นทางเจริญสัะเพียงอะไก็ตามมันก็เป็นทางชิบหายอยู่ ไม่ น, นี้จากรัทเดิมเว้นอบายามุกแล้วเธอจะบัญญัติเราเป็นทางชิดหายก็ตามมันก็เป็นทางเจริญอยู่ในตัวคําว่าเธอหมายความว่าทั่วทั้งใจโลกธาตถ้าโลกโกรธหลงไม่อยู่การปฏิบัติเพื่อบรรเทาโลกโกรธหลงก็ปฏิเสธไม่ได้ความเกิดขึ้นเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์โลกโกรธหลงเป็นทุกข์ ทำที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่โลคไม่โกรธไม่หลงก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้ามืดมีอยู่สว่างก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าคนโง่มีอยู่คนฉลาดก็ปฏิเสธไม่ได้คนมีกำลังน้อยมีอยู่คนมีกำลังมากก็ปฏิเสธไม่ได้ร่างกายมันสกปรกแต่อาบน้าแต่ก็ปฏิเสธอาบน้าไม่ได้จิตใจมีโรคโกรธหลงอยู่ การปฏิบัติสินธรรมเพื่อบรรเทาโกกรคโกรธหลงก็ปฏิเสธไม่ได้คำว่าภาวนาหมายความภาวนาตามเป็นจริงไม่ใช่ไปแต่งเอาแต่งให้เป็นบาปเป็นบุญไม่ได้แต่งแต่งเราให้เคารพเว้นจากชั่วทำดีเท่านั้นไม่ใช่ไปแต่งทมแต่งเราใส่ทำเพราะทำมีอยู่ก่อนแล้วพระบรมศรราสดาไม่ได้แต่งทำ เป็นเพียงรู้ทำใม้ใช่เฉยพ้าทำมีอยู่ก่อนแล้วถ้าทำ ม, มีอยู่ก่อนเพราะบป็นลศาสนาเขาแม่สามา ร, รู้ทำได้เหตุนั้นจึงเขารกทำแยบจมไม่ก็ะด้ากระเดืองเลยไม่สำคัญตัวอยู่เหนือธรรมด้วยถึงจะรู้สัเพียงไหนก็ตามก็ไม่สาคัญตัวอยู่เหนือธรรมถ้าได้พนานทำก็ดีสั้งขามทำก็ดีถ้าไม่มีใครรู้จะมีไหมมันก็มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่หนีจากจากธรรมชาติมีอยู่จริงอยู่บาบุญคุณโทษถ้าไม่มีผู้รู้มีอยู่ไม่ก็มีอยู่ตามธรรมดาสังขารทางหลายเกิดขึ้นไน้ไปคนนั้นแตกกายโรคท้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้มีโรคมีโกรธมีหลงนอกจากโรคโรคไปก็ไม่ไม่ไม่ไม่ีโรคมีโกรธมีหลงคือพญิภานพญิภานก็คือรับเพลินในวัฏสงสาร ผู้เพลินในวัฏัรสงสารจะเจอพรญผานไม่แต่ก็ไม่เจอต้องเบื่อหน่ายความหลงของตนสักถ้ายังไม่เบื่อหน่ายความหลงของตนก็ไม่เจอพรญพานเพราะยังสำคัญว่าตนเป็นผู้ประเสริฐอยู่เพราะไม่มีทางที่จะแก้พระบรมศาสดาก็าบอกว่าเธอทั้งหลายเธอยังไม่มียานว่าพ้านทุกข์ในวัฏจรสงสารเธอทั้งหลายอย่านอนใจเดียวจะเสียใจในภายหลัง พระนิพพานคืออะไรสิ่งที่เคยโลภมันไม่โลภสิ่งที่เคยโกรธมันไม่โกรธสิ่งที่มันไม่สิ่งที่เคยหลงมันไม่หลงมันก็พระนิพพานเท่านั้นเพื่อจะสำกันตนว่าเป็นพระทหารมันก็บ้าจริงๆเรามีเงินสองสามตังมีคนมาตั้งให้เราเป็นเศรษฐีเราจะเอาไหมเราก็ไม่เอาเหมือนกันชั้นใดก็ดีมีผู้มายกยอเป็นพระรหาร กิเลสของเรายังไม่หมดทําไมจึงไปรับมากก บ, บ้ายออืการเคารับพระพุทธศาสนาแจบจมมันต้องขบพระพุทธศาสนาให้แตกเสียก่อนว่าคําสอนของ พ, พุทธศาสนาบกพร่องที่ไหนบ้างถ้าเห็นว่าคําสอนพระพุทธศาสนาไม่บกพร่องในที่ใดเลยเป็นคําที่ไม่รวงโลกมันก็ไม่สงสัยพระพุทธศาสนามันก็ไม่ให้คะแนนรับที่อื่นๆที่มันให้รับ คะแนนนัดท uh ี่อื่นๆอยู่ก็เพระกล่าวตู่พระพุทธศาสนาว่าบกพร่องในมนุษย์สมบัติบ้างบกพร่องในสวรรค์สมบัติบ้างบกพร่องในพรมสมบัติบ้างบกพร่องในมิตรานสมบัติบ้างถ้าว่าคบพระพุทธศาสนาแตกแล้วการจะยินดีในนัดที่อื่นๆมันก็ไม่มีที่มันยันยินดีในนัดที่อื่นๆก็พระคบพระพุทธศาสนาไม่แตกทําไมจึงขบพระพุทธศาสนาไม่แตกเพราะ หนักไปในทางวัตถุนิยมไม่หนักไปในทางอุดมกติหนักไปในทางวัตถุนิยมหนักไปในทางวัตถุนิยมที่ทรมาหามาได้โดยทางที่ชอบมันก็มีหลักอยู่วัตถุนิยมที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบมันไม่เป็นเครื่องอบอุน่นเดี๋ยวก็เกิดเป็นไฟขึ้นระเบิดขึ้นเท่ากับได้ลูกระเบิดปรมาโนมาไว้ในบ้านเดี๋ยวมันระเบิดขึ้นวันไหนก็ได้ ถ้ามันมีกัด๊ดมีอะไรอยู่ที่นั่นด้วยให้ของที่ไม่ชอบทำมาไว้ในบ้านมาเมืองของเรามันก็ค่ายกับได้ได้ลูกระเบิดปรรมานูมาไว้หรือได้งูเห่ามาไว้มันจะกัดเราเยลาไหนไม่ทราบได้ผู้เชื่อพระพุทธศาสานาลงได้สนิทไม่หลงไหลไม่สงสัยตนเองก็คือสุภเจป น, นู ไม่เลิกได้ไม่เลิกได้พอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่สงสัยเลยผูกขาดจองขาดไม่ถือเลิพยายมดีด้วยไม่ถือเวทมวนตร์ลักคาถาด้วยไม่ใช่ได้อยากลวงละเมิดสินห้าด้วยไม่เช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันด้วยคนที่มีสินห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ได้ลวงละเมิดสินห้ามันเรียบมดเรียบพุดธมดแล้วคอร์ัปชันคอไม่มี แต่ต๊ะใต้เตียงก็ไม่มีพูดปดหลอกลวงก็ไม่มีเวรภัยทั้งหลายสงบไปมากแล้วกิเลสยังห ย, ยาบขาดกรเด็นไปเลยเมื่อกิเลสดังหยาบขาดก็เด็นไปแล้วส่วนกิเลสละเอียดตั้งอยู่ไม่ได้เพราะตีเมืองสําคัญแตกแล้วยังแต่ตําบลหมู่บ้านเท่านั้นไม่ขบคืนเหตุเท่นั้นช่องทางยานายข้างที่หนึ่ง ธรรมหากัตปะจึงสังขายนาพระเวนัยก่อนพระพระวนัยเป็นรากแก้วพระพุทธศาสนาถ้ามีชิ้นห้าก็ได้รากแก้วพระพุทธศาสนาถ้ายังชิ้นห้ายังไม่บริบูรณ์ยาเพ่งกล่าวตูพระพุทธศาสนาว่าขี้เท็ดเราเสียดายอยากลองแล้วเมิดอชิ้นห้าเรกล่าวตูพระพุทธศาสนาว่าไม่จริงเราไม่ลองปฏิบัติ ด, ดูเสียก่อนทําไมเราจึงไม่ลองปฏิบัติ ด, ดูก็เพราะเรายังไม่เห็นคุณค่า ศีลห้าไม่เห็นคุณค่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์พอเราก็ไม่ยอมเพราะคบคบ พ, พุทธธรรมสงฆ์มาแตกเพราะยังว่าเพราะยังเข้าใจว่าไม่ทันสมัยล่าสมัยเขาแต่เราล่าสมัยออกจากศีลธรรมเราไม่พูดสักอย่างนี้เราไปกล่าวตูวว่าพระพุทธศาสนาล่าสมัยไอ้ที่แอ้มันบริบูรณ์ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพส ม, มบัตินิพพานสมบัติแล้ว ที่ไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเลยหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรพระพุทธศาสนาไม่ไม่ไม่สอนไม่มีเลยด้านธรรมะาาเรื่องชีวิตก็ไม่มีไม่มีที่วัก้องอุท ธ, ธาตาวินทเตชนงังคนมันย่อมหาทรัพได้ไม่ใช่มันทาผิดไม่ใช่มันหาทางที่ผิดมันหาทางในในทางที่ชอบในใจโลกทาตุเป็นของทิพย รับตาเข้าเป็นของทิพย์ทางมืดลืมตาเป็นของทิพย์ทางเห็นไม่แม้แต่ตาบอดหรือไม่แต่ที่มืดลงลุยรุ้มฐานเพลิงก็เป็นของทิพย์ทางรอนเว้นก็เป็นของทิพย์ทางไม่รอนใจเป็นของสารพัดนึกจะทำดีก็ใจเป็นผู้มีอิสระทำจะทำชั่วใจก็เป็นผู้มีอิสระทำและผลของใจที่ทำก็มาหาใจไม่ได้ร้องเรียกหา ไม่ได้ต้อนข้อข้อขยากวนโคเลยกระบือมันมาหาเลยเช่นเราได้กโกรธผลของโกรธก็มาหาในเวลานั้นราคะจับผลของราคะก็มาในที่นั้นโทสะจับผลของโทสะก็มาในเวลานั้นไม่ใช่โกรธวันนี้ผลของความโกรธพรุ่งนี้ยังจะมามันก็มาอยู่เรียกว่าโรคทิพย์ใจทิพย์ธรรมทิพย์เหตุใจอันในที่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาเลยรู้ตัว เหตุใจอันใดที่ไม่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยไม่รู้ตัวเหตุใจอันใดที่แยบคลายผลของใจอันนั้นก็แยบคลายเหตุใจอันใดที่ไม่แยบคลายผลของใจอันนั้นก็ไม่แยบคายเหตุใจอันใดสงสัยผลของใจก็สงสัยนั่นเราจะไปสงสัยเหตุผลที่ไหนอีกนั่นมันเป็นโรคทิพย์อยู่ในตัวแล้วเป็นทำทิพย์ใจทิพย์อยู่ในตัวแล้วในทางดีก็เหมือนกันทางขั้วก็เหมือนกันแต่คําว่าทิพย์เป็นคำกลางทิพย์ไปทางขั้วก็มีทิพย์ไปทางดีก็มี กรรมก็เป็นครรกลางกรรมไปทางดีก็มีกรรมไปทางชั่วก็มีก็มีหนทางก็เป็นครรกลางหนทางไปทางชั่วก็มีหนทางไปทางดีก็มีมนุษย์ก็เป็นทรรกลางมนุษย์ชั่วก็มีมนุษย์ดีก็มีอาหารก็เป็นทรรกลางอาหารบวชอาหารเน่าก็มีอาหารที่ควรกินก็มีไม่ควรกินก็มีนะครรมารู้ก็เป็นกรรกลางรู้ผิดก็มีรู้ถูกก็มีเข้าใจผิดธรรมศาสตร์นัก็เป็นครรกลางก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติกันไปแบบไหน ถ้าอยากจะรู้ว่าพุทธศาสนาเ็เติมพูดเข้าศาสนาไหนเป็นเมืองขึ้นของศาสนาพุทธหมดเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาพราิศาสนาพุทธเนื้อโลกทุกยุค ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาแล้วไม้ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมตามเป็นจริงของธรรมทำไมคนจึงไม่สนใจศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธ เป็นของสูงไม่เป็นขานันดอนศักดิ์ของผู้บารมีต่ำต้อยจะมาสนใจไม่เป็นหน้าที่ของมแมลงวันจะไปสนใจเกสรดอกไม้ก็เป็นหน้าที่ของมแมลงผู้มแมลงพึ่งเท่านั้นเพราะกรรมยังํำอยู่ทำไมมีคนนับถือน้อยแท่พระพุทธศาสนาน้อยหรือมากไม่เป็นปัญหาคนไม่ถึงศีลถึงธรรมจะมาเป็นหมูเป็นเพื่อนตั้ง ล, ล่านคนก็ไม่เท่านักปราดคนหนึ่งยิ่งมากก็ยิ่งดี เราได้คนโง่ามาเป็นหมู่เป็นเพื่อนล่านล่านคนก็ไม่เท่าได้นักกว่าคนเดียวเราได้แต่กลัวมามากๆก็ไม่เท่าได้ทองขนาดนี้ถูกไหมพระพุทธศาสนาสอนให้ชน ะ, ะกิเลสของตนปุธิษาธรรมสาธิฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นจึงไม่เดือดร้อนในภายหลัง เราฝึ ก, กิตฝึกใจของเราเหมือนนายสารธีฝึกว่าจะใหญ่สักเพียงไหนก็าตามถ้าไม่มีการม้วิตกพยาบาทวิตกมีหิ้งสากวิตกกลืนกินจิตใจอยู่น่าเชื่อว่าเป็นเด็กตวรมรมาสัจจาจะหัวดํำสนิทก็าตามถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกมีหิ้งสักวิตกไม่กลืนกินจิตกินใจก็เทียกว่าคนแก่จะแก่หัวหงอกสักเพียงไหนก็าตามถ้าไม่ตารม้วิตกความติในทางกาม หนักในทางกามหนักในทางพยาบาทหนักในทางเบีเบียนคนนั้นก็เป็นเด็กอยู่จะกก๊งหงอกก็ตามพระบรมศราสดาถูกหูดอย่างนั้นพูดไม่มีที่แย้งเลยองค์ท่านก็ปฏิบัติได้อย่างนั้นไม่ใช่พูดเฉยๆพระบรมศราสดาสร้างวารมี ม, มาเพื่อจะลื้อขนสัตว์ออกวัฏสงสาร ม, มีจริยาสามพุทธะจริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธเจ้าหรือโดยถามอย่างพระพุทธเจ้า ยาตตจริยาทรงสร้างโมรีเพื่อสงเคราะห์ญาติโลตตะจริยาทรงสร้างโมรีเพื่อสงเคราะห์โลคเมื่อบริบูรณ์แล้วขอปฏิบัติตามอ น, นันอยู่กรรมและผลของกรรมเป็นสารยุติธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีพระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้กรรมและผลของกรรมพระพุทธศาสนาเอามาแล้วเอามาก่อนเพื่อนและบัญญัติถูกด้วย ผู้ไม่มีกิเลสบรรยัตอะไรก็ถูกผู้มีกิเลสันรยัดไม่ถูกสิ่งที่ไม่ดีมันว่าดีกว่ามีสิ่งที่ดีมันว่าไม่ดีกว่ามีเอาเป็นประมาณไม่ได้ผู้ไม่มีกิเลสพระสม ja ok, ัยพระพุทธเจ้าพระสุโของไม่ ม, มีกิเลส ม, ถถ craft, igt. มันยัดถูกพระพระธรรมมีอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่บรรยัติยะเป็นแต่เพียงรูง้ตามเป็นจริงเท่านั้นรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงเท่านั้นเราพิจารณาพุโทโธ ก็คุณของพระพุทธองค์มีอยู่ตามเป็นจริงเราก็พิจารณาตามเป็นจริงไม่ใช่เราจะประแต่งให้คุณพุทโธมีเราพิจารณาดินดินก็มีจริงเราจึงพิจารณาดินถ้าดินไม่มีอยู่ก่อนก็ใส่ชื่อเรือนามไม่ได้สมมุติก็จริงตามสมมติปรมัตถ์ก็จริงตามปรมัตถ์ถ้าสมมุติไม่มีอยู่ก็ใส่ชื่อเรือนามไม่ได้ทาไมจึงใส่ชื่อเรือนามก็ของที่มันมีอยู่ใส่ชื่อเรือนามแต่ของทั้งหลายสมมติทั้งหลายอยู่ในวงแขงของใคร วิมุตต์ทั้งหลายอยู่ในวงแขนของไก่มักผลนิพพานอยู่ในวงแขนของไข่ก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่อยู่ในวงแขนของไข่เลยเป็นของกลางเหตุฉะนั้นจึงว่าทำเป็นของกลางข้าพเจ้าเป็นดินคนนั่นข้าพเจ้าเป็นดินคนนี้ของคนนั่นคนนี้ข้าพเจ้าเป็นตาคนนั่นหูคนนี้ไม่มีไม่มีใครปริจัญญาแกซับทั้งหลายมาหลงมาหลงโลกไม่ใช่โลกหลงสัตรูทั้งหลาย หลงตาหลงหูหลงจมูกหลงลิ้นหลงกายหลงใจว่าเป็นตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วกายท่านก็รู้ตามเป็นจริงของกายใจท่านก็รู้ตามเป็นจริงของใจเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกข์ท่านก็รู้ตามเป็นจริงของเวทนาสวยสุขทุกข์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแลนะ้แปรปรวนแจกสลายเกิดดับเป็นรู้ตามเป็นจริงของความเกิดดับไม่ใช่เราทําให้มันเกิดมันดับมันเกิดดับอยู่แล้ว นันเกิดดับเร็วจนติดกันเป็นพืชสิ่งที่มีวิญญาณและโมบิทไม่มีวิญญาณก็เกิดดับเป็นสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาโลกโลกคือแผ่นบิน <c oughs> มนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ธามาพัชะนะหชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประมเจงดชั้นแลรูปประภมสีชั้นโลกทั้ ง, งหลายเกิดขึ้นแล้วไปปวนแล้แตกสลายอยู่หาระหว่างไม่ได้ นอกจากทุกข์ไม่มีอันไดจะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอันไดจะตั้งอยู่และแปรปรวนและดับไปทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นแปรปรวนทุกเท่านั้นดับไปคําพูดแต่ละอย่าง่อยาๆก็พูดเพื่อจะร่วงไปร่วงไปร่วงไปก็คืออนิจจังนั่นเองใครเป็นผู้พูดก็คือสังขารในกองทุกข์ใครเป็นผู้ฟังก็คือสังขารในกองทุกข์พระเนียผานมาเนี่ยมาพูดด้วยไม่ได้มาฟังด้วยใครใครเป็นผู้ยืนยันว่าได้ว่าเสียก็สังขารในกองทุกข์ พระ涅槃มายืนยันว่ามาได้มาเสี ย, เ, ยเราเขาสัตว์บุคคลใครมายืนยันก็สัตว์ทั้งหลายพากันยืนยันแต่เราเขาสัตว์บุคคลอยู่ตามอํานาจวัฒนาของใครก็ไม่อยู่ถึงเวลาแ ก, ก่ก็แก่กยอย่างผึงผายเวลาเก็บก็เก็บอย่างผึงผายเวลาตายก็ตายอย่าง ผ, ผึงผายเวลาหิวก็หิวอย่างผึงผายไม่อยู่ใต้อํานาจของใครเลยแต่สัตว์ทั้งหลายว่าตัวกูตัวข้าของข้า ฉันภูเขาก็เหมือนกันภูเขาภูเขาไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของก็สมมติกันตามเป็นจริงเฉยๆแต่ใครเป็นเจ้าของภูเขาภูเขามันว่ามันเป็นสมบัติของใครดินน้ําไฟลมก็เหมือนกันสมบัติพัฒฐานเหมือนกันที่เรานุ่งห่มอยู่นี่ทําทําออกจากดินน้ําไฟลมผ้าผ่อนทอนสบายก็เมือนกันสิ่งที่แข็งอย่างนี้ก็ทําออกจากธาตุดินสะิ่งที่เหลวก็ทําออกจากธาตุน้ํา ธาตุไฟธาตมดินน้ำไฟรมเขาไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเขาจะเป็นของสมบัติของพระยาจิตรลักษณ์เขามีหน้าที่เกิดขึ้นแพร่ผวแหนแตกสลายเขาก็เป็นไปตามสภาวัธรรมของเขาแต่เขาก็ไม่สําคัญว่าเขาเป็นผู้แตกสลายเลยแต่เราสมมติว่าเขาเาเราเราจะเฉยเพื่อให้รู้จักความหมายกันข้าพเจ้าเป็นผมข้าพเจ้าเป็นขนข้าพเจ้าเป็นเล็บข้าพเจ้าเป็นฟันข้าพเจ้าเป็นหนังข้าพเจ้าเป็นเนื้อข้าพเจ้าเป็นกระดูก ข้าพเจ้าเป็นเยื่อในกระดูกข้าพเจ้าเป็นม้ามเป็นหัวใจตับท้งฝุดใต่ป อ, อดใสเอะไใส่น้อยอ่านใหม่อ่านเก่าเขาก็ไม่ได้พูดแต่เราใส่ชื่อเรือนามตามที่มีจริงอยู่พ่อไม่ถ้าไม่ใส่ชื่อเรือนามอย่างนั้นเราก็จะไปหลงมันเป็นจริงเพียงแค่ไหนเราก็จะได้รู้กันเรานอนเฝ้าอยู่ถ้าเอ๋ยเธอจึงเป็นบริวารของพระยาจิตรราชนะ่ะครับเขาก็หมายว่าปฏิเส ธ, ธเขาไงปฏิเส ธ, ธหูเอ๋ย จมูกเอ๋ยลิ้นเอ๋ยกายเอ๋ยเขาก็มาได้ว่าเขาก็เป็ปฏิเสธเหมือนกันแต่ใจเป็นผู้ไปมันหยัดเอาเขามาเป็นสมบัติพัฒฐานของตนเมื่อเขามาอยู่ในอํานาจของตนตนก็ดีใจเสียใจความดีใจเสียใจก็ตนเป็นผู้แต่งขึ้นอะไรก็เป็น ผ, ผู้ตนเป็นผู้แต่งขึ้นใครเป็นผู้ไปหลงดินน้ําไฟลมก็จิตใจที่มีกิเลส ที่มีความโง่สถิตยอยู่นั่นไปหลงว่ายินน้ำไฟลมเป็นเราเป็นเขาเป็นศัก์เป็นบุคคลก็เกิดทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกันช้ารนะพัดแย่งชิงกันผลที่สุดท้ายก็เบมือตาย <c oughs> เกิดมาก็กำมือร้องไห้เพราะมันจะมม่ได้มาผ่านกองทุกข์ถ้าทุกข์มีอยู่การปฏิบัติเพื่อพ้อนทุกข์ก็ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าทุกข์จิทุกข์ใจมีอยู่ตามได้การปฏิบัติเพื่อพ้อนจากทุกข์จิทุกข์ใจก็ปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธศาสนาทมชั้นสูงพิจานนากายเป็นอารมว่ากายนลกว่าสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสนา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 เพื่อจะพิจารณากายให้รู้ตามันจริงพิจารณาเวทนาให้รู้ตามันจริงพิจารณาจิตให้รู้ตามันจริงพิจารณาให้รู้ตามันจริงแล้วจะถอนความหลงที่ไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจะรู้ตามันจริงสอนให้รู้ตามันจริงตามันจริงของเราที่ไปหลงนางท่านก็บอกว่าหลวงปู่หลวงปู่นิฉันภาวนาจิตไม่ว่างถ้าสําคัญว่าจิตเป็นตนตนมันจิตจิตก็ไม่ว่าง ถ้าไม่สําคัญวิจิตเป็นตนตนไม่จิตมันก็ว่างอยู่นะที่นั่นเองไม่ต้องทํากิริยาว่าข้ามเวทนาทุกไม่ได้ก็เวทนาทุกก็ดีเวทนาสุกก็ดีเวทนาอุเบกขาก็ดีเวทนามันได้ยืนยันว่าจะเป็นเวทนาของใครเกิดขึ้นมาแล้วขอแปรปวดได้แตกสลายแต่เราไปยืนยันว่าสุขก็เป็นเวทนาของเราทุกก็เป็นเวลาเวทนาท้องของเราอุเบกขาก็เป็นเวทนาของเราก็ยุ่งเหยิงในเวทนา เวทนาเกิดเป็นดับเป็นเหมือนหัวฝีเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็จริงสักพบรมศาลาเมื่อเธอทั้งหลายรู้ตามเปจริงแล้วความเยอทะยานในเวทนาของเธอทั้งหลายจะไม่มีความเทยทะยานในเวทนาสุขของพวกเธอจะไม่มีความเยอทะยานในเวลาในเวทนาทุกขและอุเบกขาก็จะไม่มีสุขทุกอุเบกขาเป็นเวทนากลางๆอยู่ไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นของใคร เกิดขึ้นแล้วก็แฟป่วนแล้แตกสลายถ้าคน ร, ร่ากายก็เหมือนกันไม่ยืนยันว่าจะเป็นข้อไกลถึงข้าวเกศข้อเก่อย่างผึงผายถึงข้าวเกศก็เก็บอย่างผึงผายถึงข้าวตายก็ตายอย่างผึงผายถึงขาวแตกสลายก็แตกสลายอย่างผึงผายไม่ว่าว่าจะอยู่ในอำนาจวาสนาของผู้ที่มาห่วงเห็นคนเราเลื่อนตำแหน่งมันเลื่อนตำแหน่งเองพระเจ้าแผ่น ด, ดินก็คือมีแต่ธาตุ ด, ดินอยู่นี่พระเจ้าแผ่นาน้ำก็มีแต่น้ำธาตุน้ำ พระเจ้าแผ่นไฟก็มีธาตุไฟพระเจ้าแผ่นลมก็มีอยู่นี่เธออยากยินดีในโลกทางปวงเนอะถ้าเธอยินดีในโลกทางปวงโลกตาโรคหูโรคจมูกโรคเล่นโรค ก, กายโลคใจเธอทั้งหลายก็จะมาหลงตาหลงหูหลงจมูกหลงเล่นหล ง, ลงกายหลงใจอยู่นี่เองตัวข้าของข้าอยู่นี่เองถ้าเธอไม่สําคัญว่าสิ่งใดๆเป็นของเธอมีแต่สังขารแลกองทุกข์อยู่ชัว่วคราวเท่านั้นกิเลสของพวกเธอก็ไม่มาก ความเดือดร้นของพวกเธอก็ไม่มากเดี๋ยวเธอก็จะพ้นจากความหลงไปเองข้ามทะเลหลงไปเองพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นธรรมะชั้นสูงเมื่อธรรมะชั้นสูงศีลก็ชั้นสูงสมาธิก็ชั้นสูงปัญญาก็ชั้นสูงไปด้วยกันเมื่อปัญญาต่ําศีลก็ต่ําสมาธิก็ต่ำเพราะปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมทุกหมวดหี้นั้นจึงมันหยัก ว, วิปัตนาธุระคือธุระทางปัญญา ไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิธุระวิปัสสนาธุระก็คือธุระทางปัญญาเพราะศีลห้าถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาไม่คุ้มศีลแปดถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาไม่คุ้มสมาธิตั้งมั่นถ้าไม่มีปัญญารักษาก็รักษาสมาธิให้เกิดไม่ได้สมาธิเพื่อให้พักเพื่อพูดข่าวเฉยงานไว่ได้จะไปพักอยู่นั่นก็ไม่ถูกเหมือนเราพักเที่ยวไปพักนานๆมันก็ไม่ได้งาน พอให้ดูจากรถมันถ้าไม่พักก็ไม่ได้กำลังเหมือนกันเราทำงานเหมือนกันถ้าไม่พักก็ไม่ได้กำลังถ้าพักมากก็ไม่ได้กำลังเราเดินทางก็เหมือนกันทำงานแต่พักก็ไม่ได้คนทางถ้าไม่พักก็ไม่ได้แต่ผู้เขาเชื่อกำลังเขาเขาก็ไม่ค่อยพักเขาทำงานไม่ใช่จะเอาสมาธิไปพระเนพานด้วย ไม่ใช่จะเอาศีลไปพระเนรพลด้วยไม่ใช่จะเอาปัญญาไปพระเนรพลด้วยเป็นหนทางเดินเข้าสู่พระเนรพลเฉยเมยเมื่อถึงพระเนรพลเนีน้ยก็เป็นมหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญาอันอยู่นอกเหตุนอกผลศีล ส, สมาธิปัญญาอันอยู่ในเหตุในผลก็คือเวลากําลังเดินทางใจก็เหมือนกันอาศัยใจเป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาเมื่อข้ามพ้นเป็นพระรหันแล้วไม่ได้ยึดมัน่นถือมั่นในใจเลยใจก็เป็นใน่สักล่ายใจ ทำแต่รัปธาบาตก็ส่งต่อพระนธุพานหมดมันอาศัยบุคคลผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วนโมตัวเดียวก็ส่งต่อพระนธุพานหมดหนโมพระโสดาบาันนโมแปลว่านอบน้อมพระโสดาบันนอบน้อ ม, าาอมเขารับไม่ล่วงละเมิดสิ้นห้าไม่ล่วงละเมิดอบายจมุกเขารับนอบน้อมไม่ถืออยู่ยงคงกับพัน์ ไม่ค่าขายมนุษย์ไม่ค่าขายเครื่องประหารไม่ค่าขายมนุษย์ไม่ค่าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ทีตัวข่าไปเป็นอาหารไม่ค่าขายน้ำมอไม่ค้าขายยาพิษยาพันธุ์น้ำมอพสดาวันเคารพอันนี้ที่สุดเพราะมันเป็นทางชิพหายไม่เป็นทางเจริญเห็นดิงลงแล้วถอนไม่ออกเห็นดิงไปในทางชิพหายนะถอนไม่ออกไม่สงสัยว่าจักเจริญเลยเหตุฉะนั้นจึงไม่ลำบากในการที่จะล่วงละเมิดจับเดินภาวนา อดข้าวอดน้ำจนคุ้มผมคุมขนหล่นก็าตามถ้ายัางเสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้ายอยู่เสียดายอยากล่วงละเมิอดอาบายยมุขูเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงขปัญอยู่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดอยู่เสียดายอยากค้าขายมิทธาวณิชาดังที่ว่ามานี่อยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาบันเมื่อไม่ใช่พระโสดาบัน ก็ยังไม่มองเห็นหนทางพระนิพพานหนทางปัญญาวนทางตาในคือตาปัญญาไม่ใช่ตานอกนี่เห็นอนิี้จังชัดพระโสดาบันได้ในโลกล้วนอันนี้จังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนัตตาเมื่อเห็นชัดสิ่งเหล่านี้แล้วความยินดีในโลกทั้งปวงมันก็ไม่มีมันก็เหนียวถึงพระนิพพานเท่านั้นพี่มันหวังอยากจะกูคนหนึ่ง เอาให้ดังอยู่ในโลกในด้านวัตถุนิยมมันหวังอย่างนั้นก็เพราะเหตุใดก็เพราะมาเห็นโทษในวัตถุนิยมว่ามันตื่ดแแปรปวนแตกสลายวัตถุนิยมข้างข้างในก็คือตาหูจมูกที่กายใจวัตถุนิยมภายนอกกัมือนี่มือนี่มือนี่มือนี่มือนี้มือนี้มือนี่ก็แตกสลายหมดเมื่อเธอ ยังไม่พ้นจากกิเลสเธอทั้งหลายอย่าไปนอนใจเนอะพระบรมศาติลาเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังเธอยังไม่พ้นจากกิเลสทั้งปวงเธอสําคัญว่าเธอฉลาดมันโง่ตั้งร้านร้านเท่าพระบรมาศราสิลาเธอจงเอาเยี่ยงอย่างนกเขานกกระหานั่นเธอเขาเอาไปขังไว้ในกรงแค่น้ำใสกระบอกถอกน้ำใสกระลา พอกินแล้วอีมแล้วก็แยงจบหาที่จะออกไม่นอนใจไม่เป็นเรื่องเล็กน้อยเหนื่อยแล้วก็จับอยู่เพราะได้กำลังก็ไปอีกไม่ไว้ใจในโกงขังผู้เห็นภายในวัฏจังสารก็อย่างเดียวกับนกเขานกกระทานนั่นเองจะมีราบมียศจักเพียงไหนก็าตามก็ อิ่มน้ำจำรานชักเพียงไหนก็าตามไม่นอนใจในกกงขังไม่นอนใจในวัาสงสารไม่เหมือนหมูหมูเขาเลี้ยงให้กินอิ่มแล้วมันก็นอนเลยเวลาเขาเอาอไปฆ่ามันก็ล่อพอมันเขีบมันปวดมันแต่นมล็ดเขาตกคาถ้านในช่องบินปื้นนี้เลยไม่คืนมาเองหมูออกจากข้อแล้วเขาล่อเขาคืนมาเองก็เราอยากด้เป็นกรรมฐานหมูเป็นกรรมฐานนกเขานกทา <laughs> ใส่ ก, ก็ใส่วันนี้มันเป็นตะเกียวันนี้เป็นตะเกีวแล้วไปเราไปพักเคลื่มปคายกูเนึ่ยใส่ถุงขาตื่นขึ้นมาเป็นตะคกียบอ๋ยปวดขานี่เอาอะไรมาใส่ก็ไม่หยุดนี่ก็เย็นขาคนแก่ขาคนแก่มันต้องเป็นอย่างนี้ะ หมูเขเลยเอาน้ำร้อนมาเหยียบ น, น้ำร้อนหย่อน้าลงแช่ น, น้ำร้อนแล้วหยุดหยุดตะเกียกรรมฐ า, าน อ, นาอันไหนในวัดนะค่อยวิ่งนานพระอนาคามีบางพระองค์บริกรรมไม่เที่ยงมาเที่ยงมาเที่ยงมาเที่ยงมเที่ยงมาเที่ยงไม่เียงไม่ีมงไมนเลยงไม่เทยงงมงมียง่เงทย่ที่่เท ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงบวติกรรมอยู่ในนั้นละ่ะพระหาอบายจะเบื่อหน่ายโลกพระไม่นอนใจในโลกเพราะมีแต่ของไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เทียเท่ยงบได้กรรมอยู่นั้นกำกับอยู่ในนั้นพระอนาคามีบางพระองค์อยู่ในสุทธาวาสฉัสนอวิหะตปาสุทธิสธาสุทธิสีเราทําไมเราภาวนาทําไมภาวนาให้รู้ตามจริงปฏิบัติตามาจริงรลดทอนตามจริงเพราะเราไม่รู้ตามจริง เราไม่รู้ตามเปจริงเพราะรู้อะไรเราเห็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเราเห็นของทุกข์ว่าเป็นของสุขเราเห็นว่าของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนเราเห็นของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามก็คือหนังหุ้มอยู่ในรอบแล้วเข้าใจเป็นของสวยของงามเหตุฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจนาอสุภอสุภังเพื่อกันลาขะนั่นเอง เหตุฉชนนั้นจึงให้สอนพิจณาเมตตาเพื่อกันโทสะมาให้จัดนั่นเองเหตุเชนนั้นจึงให้สอนให้ภาวนาพุทโธให้เห็นพระคุณของท่านเพื่อจะให้เยอ่อหญิงจองหองในวัตฏะสงสารเลยไม่ใช่เป็นของใหม่ของเก่าของพวกเราที่ต้องเที่ยวมานั่นเองแต่พวกเราจำชาติไม่ได้กระดูกของพวกเราชั่วกลับหนึ่ง คหนึ่งมีขี่ห้าพระองค์บ้าสามพระองค์บ้าพระพุทธเจ้าเก็บไว้เก็บกระดูกไว้ไม่ให้อันตรธ า, านไปชาติละหนึ่งชาติชาติละเท่าหัวแม่มือพอถึงกับหนึ่งก็ใหญ่กว่าภูเขาเหิมอะไรแต่ละคนละคนถ้าไม่ให้ายไปไหนน้ำตานานๆจึงจะออกเก็บไว้ชาตินะหยดถ้าไม่ให้อันตราธานไป ก็ใหญ่กว่าสี่มหาสมุทรเมื่อเป็นดางนีงน้ก็สอนแสดงให้เห็นว่าน่าสรดสังเวช ท, ที่พวกเราท่องเที่ยวมาในวัดตาสงสารมากสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีตาเพราะชอบเล็งแลดูรูปไม่อิ่มไม่พอสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีหูเพราะชอบฟังเสียงไพเราะสนะโสที่เกี่ยวกับรากะเสียงธรรมไม่เลยว่าสัตว์ทั้งหลาย ทำไมจึงมีจมูกเพราะชอบดมกลิ่นสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีลิ้นเพราะชอบลิ่มรสสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีกายเพราะชอบกระทบกระเทือนเย็นร้อนอ่อนแข็งเช่นห่มผ้าเป็นต้นหรืออาบน้าเย็นเย็นเป็นต้นผธทพะที่ได้แรงก็คือผดทพะผู้ชายกับผู้หญิงที่มีนาคะ ไปเสพไปสมกันอันนั้นโพธพะพระอันนั้นเป็นโพธพะพระถึงปาราชิกท่าพระไปเสพเข้าทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจพระสัตว์ทั้งหลายชอบนึกคิดส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วท่านไม่ติดอยู่ในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในกใจไม่ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมารมเลยเพราะแยกออกแล้วรูป ก, ก็เป็นตาสักว่ารูปเสียงเป็นตาสักว่าเสียงกลิ่นเป็นตาสักว่ากลิ่น เลียนเป็นสายวิญญาณกินไม่สัช ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธทมารลมทั้งภายนอกภายในภายนอกก็เป็นฝั่งนอกภายในคือตาหูจมูกเลี้นเป็นฝั่งฝั่งใน <c oughs> รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธมมารลมเป็นฝั่งภากโคตรตาหูจมูกเลี้นเป็นฝั่งในในระหว่างกลางเป็นเชือกผูกตาหูจมูกเลิ้นกายใจ รูปเสียงกิ่นรถโพธพระธรรมารมในระหว่างนี้ไปเชื่อบผูกกันคือความรักความชังตัดอันนี้สหพร ะ, ะบรมศาสด า, ศ า, ศาระหว่างนี้ยอาในวางเชื่อบผูกใส่กันทือมันส่งต่อหากันตัดความยินดียินร้ายอันนี้ครับท่านพุทธุเท่าแล้วท่านก็ตัดเองถ้ามายึดบั่นถือมันในตาก็มายึดบั้นถือมันในหูโดยใดเหมือนกัน ถ้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอดีตก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอนาคตและปัจจุบันด้วยเธอจงรู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันเธอจงรู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเธอจงรู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเธออย่าไปติดอยู่ในเงื่อนทางสามเน้ออย่าไปถือว่าเป็นตันเป็นตัวเราเขาสัตบุคคลจงรู้ตามเป็นจริงซักนี่ทําชั้นสูงอ่ะทําชั้นสูงไม่ใช่ทําชั้นต่ำผู้ท่องเที่ยวในวัดตาท่องสามก็คือท่องเที่ยวในโลกในโกดในหลงเจ้าของนั่นเองไม่ได้ท่องเที่ยวในทางอื่น ส, ส ru, See, ิ <c oughs> <yeah> ่งใดที่ไปยึดไปถือเอาเป็นเจ้าของไม่รู้จักวางสิ่งนั้นจะเป็นของไม่มีโทษย่อไม่มีในโลกพระบรมศาสดาถ้าเราไม่มีของเราจะมีมาจากประตูใดล่ะพระบรมศาสดาก็มีแต่กองทุกเต็มโลกใช่ไหมพระบรมศาสดาถ้าเราไม่มีของเราจะมีมาจากประตูใดก็มีแต่กองทุกเต็มโลกใช่ไหมถ้าเราไม่มีผู้อื่นก็ไม่มีเราไม่มีของเราก็ไม่มี ผู้อื่นก็ไม่มีของผู้อื่นก็มีก็ไม่ ม, กมีก็มีแต่กองทุกข์เท่านั้นพระบรมศารดาท่าทองที่เอาไปทางทะเลตาด้วยทะเลหูด้วยทะเลจมูกด้วยทะเลลิ้นด้วยทะเลกายด้วยทะเลธรรมารุมด้วยทะเลใจด้วยทะเลธรรมารุมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมารุมก็เหมือนกั น, กนอายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้น วิญญาณมีสกุลวิญญาณเป็นต้นกระทบกันแยกสัมผัสมีชื่อตามอายตระภัยในเปเป็นหกคือจสกุส <AM smells. S 1> ัมผ <Jazz. Gates S 2> <cht> ัสโสตสัมผัสคาระสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือสุบ้างทุกบ้างมีชื่อตามอาจารย์ยตระภัยในเป็นหกคือจสกุสัมผัสประชาเวทนาโสตสัมผัสประชาเวทนาคาระสัมผัสประชาเวทนาชิวหาสัมผัสปชาเวทนากายะสัมผัสปชาเวทนาเวทนาเวทนาหก คือความเสวยอารมณ์ตากระทบรูปมาเสวยอารมณ์เป็นสุขหรือทุกข์ก็ดีหรืออุเบกขาก็ดีเสียงกระทบหูมาเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็นอุเบกขาก็ดีกินกระทบจมูกมาเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาก็ดีเกิดเค้ืแล้วก็ดับไปรถกระทบลิ้นเกิดขึ้นเนีเสวยว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาก็ดีก็เกิดเดี๋ยวดับไป โพธภาษะทบกายความร่ากายก็กกกล่วงไปล่วงไปอีกเหมือนกันธรรมารลมเกิดกับใจความร่างกายถ้าเป็นธรรมารลมอันดีก็เสวยสุขเป็นธรรมารลมอันกลางกาก็เสวยโอเบขาเป็นธรรมารลมอันน่าเบื่อก็เป็นทุกข์ซัดทั้งหลายวนเวียนอยู่ตามนี้เนี่ยเห็นฉะนั้นปีทะลุสาทะลุหมดแล้วหกสิบหมดหกหกสามสิบหกอดีตสามสิบหกอนาคต สามเจ็หกปัจจุบันสามเจดหกอัีตคืออะไรตาหัวจมูกเรียนกายใจที่ล่วงไปแล้วเพราะว่าเป็นหกอนาคตคืออะไรตาหัวจมูกเรียนกายใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือตาหัวจมูกเรียนกายใจที่กําลังเป็นอยู่เี๋ยพูดเป็นหกพูดเป็นสองท่นี้อดีตคืออะไรรูปขันน้าขันที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือรูปขันน้ำขันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือรูปขันนําขันที่กําลังเป็นอยู่พูดเป็นสองพูดเป็นหนึ่งท่นี่อดีตคืออะไร คือผู้รูที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือผู้รูที่ยังม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รูที่กําลังเป็นอยู่ยเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนได้ดับไปเหมือนกันพูดเันห้าทีนี้อดีตคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารเวีญ น, นาณที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารที่กําลังมันยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่กําลังเป็นอยู่ล่วงไปล่วงไปอีกเหมือนกัน อ, อดีตคื uh, ออะไรคือนิทานของใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือนิทานของใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือนิทานของใจที่กําลังไปอยู่ถ้าพูดไปหนึ่งพูดได้หลายอย่างถ้าพูดในฝ่ายท่าอดีตคืออะไรคือรูปประท่าและอารูปประท่าที่ล่วงไปอนาคตคือรูปประทาและอรูปประทาที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือรูปประทาและอรูปประท่าที่กําลังไปอยู่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแจกสลายมันอยู่ในวงแขนของไก่พูด ดินน้ำไฟลมทนนี้อดีตคืออะไรคือดินน้ำไฟลมที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือดินน้ำไฟลมที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือดินน้ำไฟลมที่กําลังเป็นอยู่พูดเรื่องทุกอันเดียวอดีตคืออะไรคือทุกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือทุกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือทุกที่กําลังเป็นอยู่ในเวลาพิจารณาอย่างนั้นคืออะไรนั่นคือตัวศีลนั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญาเวลาพิจารณาอยู่นะไม่ใช่ว่าตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาจะไปอยู่คนละมุมโลกไม่ใช่ นั่นคือตัวศีลตัดศีลอยในปัจจุบันนั่นคือตัวสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบัน น, น, น, น, จจบ น, นั่นคือตัวปัญญารู้ชัดในปัจจุบันตกลงศีลสมาธิปัญญาก็รวมพลในปัจจุบันเหมือนกันปัจจุบันนี้มีศีลห้าไหมก็มีอยู่เพราะไม่ได้ไปฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดนในกรรมหรือถึงสุลาเมรัยหรือพูดบทข้ามท่ายหลงด้วยความไม่หลงข้ามผู้นอนใจด้วยความไม่นอนใจข้ามความขี้เกียจ ด้วยความขยันข้ามความนอนใจด้วยความไม่นอนใจข้ามเกิดด้วยความไม่ยินดีในเกิดข้ามแก่ด้วยความไม่ยินดีในแก่ข ío, Reading, an, ้ามเก็บด้วยความไม่ยินดีในเก็บข้ามตายด้วยความไม่ยินดีในตายข้ามโรภด้วยความไม่ยินดีในโรภข้ามโกรธด้วยความไม่ยินดีในโกรธข้ามหลงด้วยความไม่ยินดีในหลงถ้าเห็นโทษสิ่งไหนแล้วเต็มแล้วมันก็ไม erm ่ใส่ดอย่างรุ่งระเมิดสิงนั้น ที่ไม่มันไม่เห็นโทษก็เพราะเหตุว่ามันยังพอใช่พอสอยอยู่มันคงมีประโยชน์อยู่มันก็ไม่เห็นโทษมันเห็นโทษสิ่งไหนมันก็ทิ้งเลยะเช่นเห็นโทษอาบายยมุขถ้ามันเห็นโทษมันก็ทิ้งผึ่งเลยนี่มันไม่เห็นโทษว่ากูเรียกว่ามันจะได้อยู่นะเพราะกูอยากได้ คำว่ากูอยากได้ก็เพราะม่เห็นโทษในอันนั้นว่ามันเป็นทางจะได้อยู่ถ้าเห็นโทษอมันทางคิดหายตรงตรงมันก็ไม่มีกูอยากได้อีกละทีเนี่น <c oughs> สิ่งไหนที่เห็นชัดสิ่งนั้นมันก็ถอนไม่ออกไม่ขบคืนสิ่งไหนไม่เห็นชัดมันก็ต้องขบคืนเห็นอันนี้จังชัดในโลกเยมันไม่ขบคืนว่ามันจะเป็นของที่อย่างสักทีเลยนั่น เห็นทุกในโลกชัดไม่สงสัยว่าโลกจะเป็นสุขสักทีเลยโลกภายในภายนอกก็เหมือนกันอันนั้นเรียกพอเห็นชัดเนี่ยตัดความสงสัยนั่นคือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญากลมกลืนกันอยู่เหมือนหนังกับเนื้อกับเอ็นกลมกลืนกันอยู่จะแยกกันไม่ได้เหมือนหน้ากับตากับจมูกก็แยกกันไม่ได้ก็อยู่ที่แห่งเดียวกันเคยใช้หน้ากันอยู่ไอทีแท้มันก็เห็นทั้ง ตาทั้งจมูกกันเองพูดอักษรย่อคําว่าอนิจจังก็อักษรย่อสิ่งที่ไม่เที่ยงอักษรย่อสิ่งที่มีวิญญาณของสิงและไม่ีวิญญาณของสิ่งอยู่ในความไม่เที่ยงและก็มีทุกสัมพยพยอยู่ด้วยและก็มีสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสัมพยพยศอยู่อีกด้วยเพราะมาอยู่ในอํานาจวาสนาของใครสิ่มีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวอยู่ด้วยกันแห่งเดียวกัน ศีลก็ตัดสิ nya, Harlem, i, Ganz, maximum, Mayo, นลงในปัจจ er ุบันสมาธิก็ตั้งมั่นในปัจจุบันปัญญาก็รับรู้ในปัจจุบันนั่นเองศีลของชั้นไหนก็เหมือนกันศีลพระสวสดา์บันฑ์ศีลจักดาคามีศีลอนาคามีศีลภนานก็เหมือนกันก็รวมลงในอันเดียวกันแต่มีคุณค่าต่างกันมีกําลังต่างกันคําว่าปัจจุบันก็มีกำลังต่างกันปัจจุบันพระสวสดา์บันปัจจุบันจักดาคามีปัจจุบันอานาคามีปัจจุบันภนานก็มียิ่งยอนกว่ากันปัจจุบันราชสีปััจจุบนของชศาง นาฏศีก็มีกําลังกว่าช่างใช่ไหมนั่นนั่นเวลาพวกเราจะตายก็อันเดียวกัน น, น, นี่เห็นไหมเห็นไหมเวลาใกลจะตายจริงมาหัดภาวนามันไม่ทันเนอต้องหัดไวเด้เลยนี่อันเดียวกันสะซัด ท, ทั้งร้ายทั้งสิ้นจากตายความตายมาถึงแล้วไม่มีท่านผู้ใดจะไถ่ถอนความตายได้ด้วยเวทมนต์หรือด้วยซัพ เหตุนั้นมันดิตทั้งหลายจงรีบปฏิบัติภาวนาซะเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพุทธธรรมสงฆ์เอาไว้ที่ทรงที่ใจไม่ต้องแขวนคอก็ไ <expect> ด <music> ้เอาแขวนใจเลยน้ามลก็ไม่ต <kilograms> ้องลดก็ได้ลดใจเลยลดใจให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แขนก็ไม่ต้องผูกผูกไกลเลยให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างมันดึงกันมาได้หมดเนี่ยรวมหายใจเข้าอย่างนี้มีทั้งตัวศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเนี มีทั้งศีลตัดศีลลงที่ลมหายใจเข้าตัศสมาธิตั้งมั่นในลมหายใจเข้าปัญญาก็คือรอบรู้ในลมหายใจเข้าหายใจออกก็เหมือนกัน อ, าอ้าพุทโธพ่อกำลมหายใจเข้าก่ออันเดียวกันพุโทโธพอ่อกำลมหายใจออกก็อันเดียวกันให้เห็นคุณในชั้นใดชั้นหนึ่งเสียก่อนจริงกอื่นก็มารวมกันหมดเดี๋ยวกว่างนั่นเดี๋ยวกว่างนี่เดี๋ยวร่มตูมนอนเลย ให้เห็นคุณในชั้นภาวนาซะก่อนเราจะภาวนาลมให้ใจเข้าออกก็ให้คุณเห็นคุณในชั้นนี้ซะก่อนมันดึงมาใส่หมดได้ดึงกรรมฐานมาใส่หมดได้ลมหายใจเข้าก็มีทั้งเกิดขึ้นในแบบพัวในแจกสลายเนี่ยดึงมาใส่วิปัสสนาได้เหมือนกันลมหายใจออกก็มีทั้งเกิดขึ้นในแปบพัวนแจกสลายเนี่ยพอเราบัญญัติว่าลมเข้ามันก็เป็นอดีตไปแล้วเพราเราบัญญัติว่าต้นลมมันก็เป็นอดีตไปแล้วเพราะเราบัญญัติว่ากลางลมก็เป็นอดีตไปแล้วพราะเราบัญญัติว่าท้ายลมก็เป็นอดีตไปแล้ว เวลาหาจะออกบัญยันว่าต้นลมมันก็เป็นอดีตไปะบัญญัติว่าลกลางลงก็เป็นอดีตไปแล้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันสลับเปลี่ยนกันอยู่หาระหว่างไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับพิจารณาจะเกิดดับก็ถูกพ่อเขาลงห้ใจเขาออกพิจารณาแต่พุทโธพ่อเขาลงห้ใจเขาออกก็เรียกว่าสมถารล้วน